เจ็ดทุติยะมิตตามัจจะสูตรว่าด้วยการชักชวนมิตรอมมาตสูตรที่สองหนึ่งพันสิบสามภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงอนุเคราะห์คนเหล่าใดและคนเหล่าใดจะเป็นมิตรอมมาตญาสาโลหิตก็ตามให้ความสำคัญคำที่ควรรับฟัง เธอทั้งหลายพึงชักชวนคนเหล่านั้นให้ตั้งมัน่นให้ดำรงอยู่ในองค์เครื่องบรรลุโสดาสีประการองค์เครื่องบรรลุโสดาสีประการอะไรบ้างคือหนึ่งเธอทั้งหลายพึงชักชวนให้ตั้งมัน่นให้ดำรงอยู่ในความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายมหาภูตรูปสี่คือปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุอาจกลายเป็นอย่างอื่นได้แต่อริยสาวกผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใส อันไม่วันไหวในพระพุทธเจ้าไม่พึงแปรเป็นอย่างอื่นได้เลยในเรื่องนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่จะแปรเป็นอย่างอื่นคืออริยาสาวกผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่วันไหวในพระพุทธเจ้าจากไปเกิดในนรกกำเนิดสัตวดิวรฉานหรือภูมิแห่งเปรต 2. เธอทั้งหลายพึงชักชวนให้ตั้งมั่น ให้ดำรงอยู่ในความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรม 3. เธอทั้งหลายพึงชักชวนให้ตั้งมัน่นให้ดำรงอยู่ในความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ 4. เธอทั้งหลายพึงชักชวนให้ตั้งมัน่นให้ดำรงอยู่ในศีลที่พระอริยะชอบใจไม่ขาดเป็นไปเพื่อสมาธิ ภิกษุทั้งหลายมหาภูตรูปสี่คือปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุอาจกลายเป็นอย่างอื่นได้แต่อริยะสาวกผู้ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจไม่พึงแปลเป็นอย่างอื่นได้เลยในเรื่องนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่จะแปลเป็นอย่างอื่น คืออริยสาวกผู้ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจจะไปเกิดในนรกกำเนิดสัตดิรฉานหรือภูมิแห่งเปรตภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงอนุเคราะห์คนเหล่าใดและคนเหล่าใดจะเป็นมิตรอมารญาสาโลหิตก็ตามให้ความสำคัญคำที่ควรรับฟัง